เป็นบัดใจด้วยอาหารบางอย่างเนี่ยให้สุขเวทนาแต่ถ้าอาหารนั้นหมดสุขเวนาหมดไหมหมดถ้าเแคไปนั่งกินเนี่ยไปกินน้ําชากินกาแฟพอ ก, กินเข้าไปแล้วมันสุกเวนาเกิดไหมพอไอ้ ก, กาแฟนั้นหมดไปสุกเวนาดับไหม <Yeah. S 1> เห็นไหมเนี่ยอาหารเกิดเวทนาก็เกิดอาหารดับเวทนาก็ดับ ทีนี้อาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายใช่ไหมมันยังเป็นไปอยู่ตัววิตามินมันยังไม่หมดเวทนายังเป็นไปอยู่ไม่สุขเวนาเพราะอาหารเหล่านั้นหมดเป็นยังไงเวสุขเวนาหายไปไหมอะไรเกิดขึ้นโทกเควทนาใหม่เนี่ยก็ดูอย่างเนี้ยนั้นเวทนานั้นมันอาศัยปัจจัยมันเกิดจากปัจจัยเมื่อปัจจัยเกิดมันถึงเกิดเมื่อปัจจัยดับมันจึงดับเวทนาจึงไม่เที่ยง ใช่ไหมเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลควนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเราไหมด้วยอํานาจของตัณหาหรือเป็นสำคัญว่าเราเป็นนั่นด้วยอำนาจของมานะสำคัญว่านั่นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนของเราฉั้นเวทนาจึงไม่ใช่ของเราใช่ไหมเวทนานั้นเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยมันเกิดหมดเหตุหมดปัจจัยมันดับ มันเป็นมันอยู่อย่างงี้ตั้งนานแล้วแล้วทําไมเราไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นตรงไอ้ตรงนี้อมันต้องไปพิจารณาไหมโยมคลที่นี่ก็เราค่ก็ใค่ครวรดูสิรูปบางอย่างเป็นปัจจัยสุขเวทนาเกิดเมื่อเวทนาไปเหนียวเอารมเหล่านั้นมาใค่ควรมันชอบมันก็แต่เมื่อวัตถุใช่ไหมเมื่อวัตถุสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันหมดไปเวทนานั้นหมดไหมแล้วชีวิตมันเป็นอยู่อย่างงี้ไหม แล้วทำไมเราไปยึดถือว่าเวทนานั้นมันเที่ยงล่ะเห็นไหมเราไปยึดถือว่าเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราก็หญิงเนีโหเสียหาอีกเยอะ ท, ทั้งทั้งที่เวทนานเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งถ้าพูดกันอย่างไม่เคีงใจกันก็เรียกว่า บ, บ้ากระสุกเวทนาอย่างมนุษย์เราเนี่ยใช่ไหมวิ่งหาสุขเวทนาในสิ่งที่มันมีอยู่จริงเออวิ่งหาสิ่งที่มันไม่เที่ยงแล้วคนจะถามว่าวิ่ง ถ้าไปเล่นกับเวทนาเนี่ยจะผิดหวังตลอดไหมผิดหวังตลอดเวทนานั้นต้องดับให้ถาวรโดยส่วนเดียวเมื่อไหร่น้ะเวทนาจึงจะเย็นเน่ะจึงจะสงบจึงจะดับจึงไม่กำเริบเวทนาเนี่ยมันเกิดจากกรรมใช่ไหมเอาเวทนาเกิดจากอาหารอาหารหมดมันก็ดับเวทนาที่เกิดจากอุตุถ้าอุตูหมดก็ดับใช่ไหมเวทนาที่เกิดจากกรรมถ้ากรรมหมดนถึงจะดับเวทนาเกิดจากตัณหาถ้าละตัณหาได้เวทนาถึงจะดับ แล้วมันลาดตัณหาไม่ได้เวทนามันก็มันก็สร้างเวทนาเรื่อยยองมงคลก็ยังสร้างมันก็เป็นปัจจัยของเวทนาเรื่อยไปแต่เนี้ยถามว่าสัตว์โลกที่ไม่รอบรู้เวทนาเนี่ยหน้ากรุณาไหมหน้ากรุณาไหมนั่นแล้วใครไม่รอบรู้เวทนาใช่ไหดูก่อนพิสูจทั้งหลายสติปัฏฐานสี่ประการนี้สี่ประการไปจะไหนพิสูจนทั้งหลายพิสูจในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นายยากายในกาย มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมานต์ในโลกทั้งหลายได้อยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมานต์ในโลกทั้งหลายอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4ี่ประการนี่แหละก็ไล่ไปตามแบบนี้มาพุทธโยนึงแล้วก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายใช่ไหม พิสูุพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรเล่าพิสูุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นสุขเวทนาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเอาเลยทีเนี้ยเพราะสุขเวทนาเที่ยงไหมไม่ใช่ไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงเควาว่ามาสุขขังเวทนังอนิจจโตอนุปสัสติโนนิจจโตโนนิจโจบอกว่าอย่าไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงนะมันผิดมันไม่ถูกใช่ไหม มันไม่ถูกหรอกให้พิจารณาเห็นว้วยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปพิจารณาเห็นว้วยความเป็นของเที่ยงเวลาสุขเวทนาเกิดเวลาที่จะวิจัยเนี่ยคืออย่างนี้คนไปชอบคิดอะไรกันรู้ไหมามารู้สึกโอ้โหสอนา่านานนาน น, า น, นี่นะไปคิดว่าจะต้องคอยจ้องให้สุขเวทนาเกิดก่อนแล้วจึงค่อยไปวิจัยเนี่ยคิดผิดหรือคิดถูกเขาวิจัยก่อนอามาบอกทั้งหลายครั้งเลยใช่ไหม บอกว่าจะไปไหว้น้าจริงๆเนี่ยมันต้องหัดไหว้น้ำก่อนเอาถ้าเกิดน้ำมันท่วมเงินมาเนี่ยเพิ่งเริ่มหัดวันแรกเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นงไงอไงตายไหมตายฉะนั้นสุขเวทนาเนี่ยฝึกหัดวิจัยไว้ก่อนสุขเวทนาใส่รูปเป็นนารมเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมาารมเป็นยังไง สุขเวทนาปารลบอดีตเป็นยังไงสุขเวทนาปารลอนาคตเป็นยังไงสุขเวทนาภายในสุขเวทนาภายนอกสุขที่หยาบละเอียดเลวประนีประนอมใกล้เนี่ยแล้ววิจัยทีนะเขา้าใจไ่มวิจัยตอนเนี้ยถ้าไม่วิจัยก่อนแล้วไปเจอไปไปเห็นสุขเวทนาหรือไปเรียนรู้ในขณะนั้นทันการไหมมันไม่ทันหรอกเขาวิจัยก่อนทั้งนั้นแหละนี้เขาบอกว่าจะไปหัดนั่งเขาบอกว่า สมมติว่าเอา๋อไม่สมมติเรื่องจริงเนี่ยเอายอมสบายใหงเนี่ยเอาไป ท, ทําธุรกิจเอาลงบ้านเห็นไหมโอ้โหเฟรดนี่ลงกี่สิบหลังเจ็ดสิบหลังแปดสิบหลังลงร้อยหลังสองร้อยหลังเห็นไหมเพิ่งจะหัดนี่แหละเห็นไหมเอาเพิ่งจะหัดเห็นไหมเพิ่งจะหัดวันเนี้ยลงเมื่อไหร่กันเจ้งก็มันไม่รู้อะ่ะเขาไม่มีหรอกวิชาทางโลกวันนี้ต้องเรียนขนาดนั้น คำสอนของพระเจ้าเนี่ยพระองค์สอนให้รู้ก่อน เ, อเวลาเกิดขึ้นจริงๆมันทันมันวิจัยทันเขาจะอย่างมันเป็นแบบนั้นนี่คนเราไปชอบว่าเออเนี่ยสุขเขาเอตนาเกิดขึ้ น, นก็กําหนาดรู้สิว่าสุขไอ ต, ตอนนั้นน่แปลว่าคุณซ้อมมาดี ย, ยคือปัญหาเนี่ยเขาต้องวิจัยก่อนทั้งนั้นแหละถ้าไม่วิจัยก่อนแล้วจะทำยังไงถ้าจะทํำยังไงนี่มีไหมอองย่นะ ดูก่อนพิกูุทั้งหลายเออสถาคตไม่สอนอะไรเธอหรอกเดี๋ยวเธอไปดูเอาเหตุอะไรเกิดอลไเธอไปกำหนดเอาเองนะแม้ทำอย่างพระพุทธเจ้าได้ไงพุทธเจ้าท้องสร้างบารมีมาใช่ไหมตั้งยี่สิบปศงขายยิ่งด้วยแสนกลับแปลว่าโหท่านวิจัยมาเจนรอบแล้วยังคิดเองมารู้ได้อย่างพวกเราเนี่ยไปนั่งมึนอยู่แค่นั้นน่ะเชื่อไหปนั่งมึนใช่ไหมไปนั่งมึนเราไม่รู้เรื่องหรอก ยังไม่รู้ได้ไงโยมบงคลว่าจริงไหมไม่รู้ไม่กระทั่งสุขเวทนาด้วยไม่รู้ไม่กระทั่งว่าสุขเวทนาสายอมิตรเรื่อสายเนคขมะยังไงก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่านี่คือสุขเวทนาที่เป็นอดีตนี่คือเป็นอนาคตนี่คือเป็นปัจจุบันนี่สุขเวทนาเกิดในเรานี่คือสุขเวทนาเกิดในบุคคลอื่นนี่สุขเวทนาสายรูปเป็นอารมณ์ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้วิจัยไปเลยอ่ะก็เหมือนคนไม่เคยว่ายน้ําเลยเนี่ยเขาบอกเอ้าไปถึงทะเลใหญ่แล้วคุณโดดลงไปเลย โดดลงไปไม่โผล่เลยโดดโตมลงไปไม่รู้หายไปไหนก็ไม่รู้เ ง, งียบเจ่งแล้วในสังสารวัตที่ผ่านมาสงศ์สายฉลอยเราจะเป็นกันแบบนี้มันถึงได้มานั่งเรียนพระธรรมกันอยู่อย่างงี้นะไม่ใช่ก็ เ, เรียนก่อนเขาเข้าใจก่อนอย่เข้าใจจนช่ำชองหมดแล้วเวลาเขาจะไปเจริญสมถกรรมฐานเขาเข้าใจสมถกรรมฐานจนถึงอริยมรรคเวลาเขาจะไปเรียน ร, รอบรู้วิปัสสนากรรมฐานๆๆเขารู้ไว้หมด เขาจึงเขาก็าไปเดินเดินเข้าในการไคร่ครวนโดยสรุปก็คือว่าจะไปลบะคุณจะไปลบเนี่ยคุณไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเลยเลยบอกคว้าอะไรได้คุญซู่ไปเถอเรียบร้อยทั้งโลกยังใช้ไม่ได้เลยทั้งธรรมเนี่ยเขาละียพุทธิยาวละเอียดมากกว่านั้นเยอะตรงนี้ไงที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายเวทนาบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่จะไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยง สุขังเวทนาเนจโตอ น, นุปัสสติตามเห็นสุขเวทนาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะโนเนจโตอย่าไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงว่าไงเริ่มหายง่วงเนี่ยท่านก็พูดไปเดี๋ยวโยมจะหลับเองนี่บากเลยนะถ้าท่านมีหน้าที่พูดไปแล้วเนี่ยก็พูดไปสิโยมก็มานั่งแล้วนี่ไอเรื่องหลับหรือตื่นเป็เรื่องโยมต่างคนต่างเขามีหน้าทีเนี่ยเขาเรียกโยมไม่ทําหน้าที่ไระ คือก็ออยิงๆอมาก็ทําหน้าที่อรามาเจ็มที่ใช่ไหมแต่พวกเราไม่ค่อยทําหน้าที่เต็มริงที่จริงก็ห้ามนั่งหลับฟังเห็นบางคนนั่งกมาก็รู้แล้วว่าจงใจมานั่งหลับนั่งเริ่มพิงเก้าอี้เนี่ยรู้เลย ก, ก็ได้อย่างนี้นก็ฟังเลยแต่บางคน ข, ขอให้เป็นอย่างนี้นจริงๆเถอะแล้วการจะไม่เป็นจะเป็นทุกที่นะแล่วไปบรรยายที่ไหนเป็นทุกที่ แค่แบบมันมนุษย์เลยนี่ทีนะ้นมีท่าแรงอย่างนั้นคนคนในยุคนี่มาต้งบอกว่าอ้อยอมยอมลองมาพูดมาจะนั่งฟังสองสามชั่วโมงออกมายังไม่หลับเลยทำไมเอาเลยตลาดนคือคือฟังแสนจะสบายไม่ต้องเก็บข้อมูลเลยเลยใช่ไหมคนพูดดีต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าพูดผิดจะเป็นบาปเองไม่ต้องพูดใ้ตรงคำสอน เ่อนฟังไม่ค่อยกลัวบาไปเลยยุคนี้แปดนีนี่นี่เข้าใจย่างว่าพิจารณาเห็นเ อ, อสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้สําคัญนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุขนี่ทุกขตัวยุคปัสจติโนสุขตัวนะ คืพิจารณาเห็นในความเป็นทุกข์อย่าไปพิจารณาเห็นในความเป็นสุขคืออย่างนี้เวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนะตรงนี้สําคัญก็คือว่าในชีวิตแต่ละขนาดเนี่ยเวทนามันประกอบตลอดความเป็นไปของชีวิตเนะ่ยไม่มีขนาดจิตไหนที่เวทนาไม่เกิดเอามีไหมขนาดจิตไหนที่ไม่มีเวทนาเกิด นี่ท่านให้ดูว่าสุขเวทนาเนี่ยให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็โนนิจโตบอกว่าอย่าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงนะให้ทําความเข้าใจอย่างนั้นเลยนะถามใจตัวเอยงไงโยมทงกคนถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นในคิดเลยว่าไม่เที่ยงอย่าไปคิดว่าเที่ยงเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ยอย่างนี้แล้วให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกโนทสุขตะก็อย่าพิาพจารณาเห็นด้วยความเป็นสุข มันฝืนความรู้สึกสัตว์โลกนะไอตรงเนี้ยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นกินอาหารเข้าไปเนี่ยมันอร่อยใช่ไหมสุกเวทนามันเกิดเนี่ยมันทุกหนอเนี่ยให้มันเข้าใจว่ามันทุกแล้วมันฝืนไหมแล้วเข้าใจไหมเราเข้าใจไหมคําว่าสุขในที่นี้แปลว่ามันเป็นวิปรินามะทุกเดี๋ยวมันเปลี่ยนไหมอ่ะมันอยู่ไม่ทนหรอกไอสุขที่ว่าเกิดเนี่ย ก็ให้รู้เลยว่าเนี่ยให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์อย่าไปเห็นด้วยความเป็นสุขแล้วก็บอกว่าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอัตตานัตโตนุกัสตินวดโตนวดตัดนวดโตเนี่นะนโนัตโตเนี่ยอย่าไปเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นผู้เสวยเป็นตัวเรานะที่ได้รับความสุขเนี่ย กินแล้วเราสุขเลยอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นให้วิจัยไว้ก่อนวิจัยบ่อยๆวิจัยจนแก่กล้าวิจัยจนคมกล้าเอาความเข้าใจตรงเนี้ยทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดทุกวันเอาเกิดทุกวันไหมโยมน้องทุกวันเนี่ยเรานั่งอยู่นี้ก็เกิดลองมองมอ ง, มองดูที่เนี่ยเอาลองมองไปที่เนี่ยเมือนายมาจะมองโยมสุพรรณนะมมอ ง, มองให้มีความรู้สึกสมมติเรามันเกิดสุขเวทนาอามาต้องคิดว่าเนี่ย ไม่เที่ยงถ้ามาไปมองเห็นว่าโอ้ยสุขนี่มันเออเห็นทีไรเป็นสุขทุกทีเนี่ยอันนี้มาเข้าใจผิดต้องให้วิจัยไปเลยว่าไม่เที่ยงให้พิจารณาเห็นสุเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ไปเห็นเวทนานี้โดยความเป็นของเที่ยงหรือให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกว่าโอนี่ทุกเวทนาเกิดแล้วไม่ใช่สุขทั้งทั้งที่มันเกิดขึ้นมาด้วยความยินดีเพื่อเพลินนี่แหละ แต่ให้รู้ว่ามี่ทุกขเวทนาเกิดแล้วไม่อยู่และก็ในขณะที่สุกเวทนาเกิดขึ้นในการมองในครั้งเนี้ต้องให้รู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราเป็นผู้เสวยความสุขนั้นเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเป็นไปไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระของความสุขไม่มีสาระของความเที่ยงไม่มีสาระโดยความเป็นตัวเป็นตน ให้เข้าใจอย่างนี้ทุกครั้งแล้ววิจัยตลอดจนเกิดความเข้าใจมันเป็นอย่างนี้ความเข้าใจมันเป็นอย่างนี้นะอย่าไปสนใจเรื่องปัจจุบันอดีตอนาคตก่อนให้ทําความเข้าใจอย่างนี้ให้ชัดไม่ใช่มองอะไรแล้วเฉยๆมึนๆเงี้ยไม่ใช่เลยคําสอนพระเจ้าจะไม่สอนให้มึนๆเข้าใจมะที่จะไม่แบบไม่พิจารณาเนะี่ยไม่มีมันเกิดขึ้นจากการวิจัยเกิดจากการรอบรู้เกิดจากความเข้าใจ ไม่ใช่มองอะไรก็เฉยเยมึนมึนไปวันวันเนี่ยไม่ใช่หรอกอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชปฏิปทาไม่ใช่ข้อปฏิบัติในศาสนานี้มองออกไม่ใช่แค่สุขเวทนาอย่างเดียวลองไปวิจัยทีเราจะเห็นเยอะถ้ามีใครมาพูดชมเหมือนเนนใช่ไหมเนนเนเนที่อยู่กับอยู่กับดมาจะไม่เยอะมากคนตัวอ้วนอมันเป็นเนนเจ้าเล่ห์ไอตัวก็เล็กแค่อยู่แค่ป .2 นี่นะเจ้าเล่ห์วิธีพูดอะไรมันเยอะแยะหมดคือ เวลาจะเล่นงานอะไรมันเนี่ยมันจะมีวิธีการเยอะไปอยู่กับใครนีมันกล่อมใครแป๊บเดียวคนก็จะหลงมันเลยไม่กล้าตีมันไม่กล้าลงโทษมันอะไรต่างนี้นะแต่นี้ก็แต่นี้เขาก็อมาไว้กันมาไว้กับอาตมาไอ้ตัวอ้นก็อ้วนอาตมาก็ก็บอกอาเนนวันนี้เนนฉันข้าวแค่นี้พอแล้ว ก็ตักข้าวออกเนี่ยให้ให้นิดเดียวแล้วมันจะชอบกินในพวกอ้วนทั้งหลายเลยก็ชอบกินของที่มีมันมีแรงรต่างก็จะชอบมากใช่ไหมของง่วงหวานเนี่ยอามาก็เอาผักให้เอาเลยรเขาก็ตักหล่นวิ่งลงไปเนีเขาก็โผล่เขาวิ่งหนีอยู่เรื่อยเลยก็อะไนเง้ขาก็บอกว่าผักเนี่ยวิ่งหนีเขานนแล้วเขาก็บก่บนไปเลยอามาก็บอกว่า<บ> ก็เดี๋ยวถ้ามันวิ่งอีกมันต้องใช้ไม้ตีอยู่ทุกทีแล้วก็เขาก็ <c oughs> <c oughs> หันมองมาเจ้าพักหนึ่งเขาไม่วิ่งแล้วค <c oughs> ือฝากไม่วิ่งหนีแล้วมันเชื่อฟังแล้วก็ว่ากัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่คือคือคือต้องคนทันเขาถ้าไม่ทันเขาเนี่ก็อยู่เขาโดนเขาหลอกแล้วสักพักหนึ่งเขาขึ้นไปข้างบนเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับโหลูกของท่านอาจารย์ตอนสมัย เป็นนมหมงโหหน้าตาดีจังอ๋อมอก็มองเลยเลนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียเขาเขาจะมีความเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับใครเนี่ยเขาจะต้องนั้นมั่เข้าในเข้าเขาอยู่กับเป็นเดือนวันก่อนยยาเขามารับคเขาไปเขาบอกเขาไม่อยากอยู่แล้วถามจะมาอยู่กับใครก็พอจะหลอกได้อยู่กับท่านอยู่กับอาจารย์ยุหลอกไม่ได้เพขาเขาสึกไปแล้ว เขาหลอกเขาหลอกไม่ได้เขาพยายามหามุมหลอกตลอดเวลาก็เขาหลอกไม่ได้ก็อยู่กับคนอื่นอยู่กับใครก็อ้อนแป๊บเดียวเสร็จก็หมดล้คือคือเขาเป็นคนเย้าเล่ยแต่เล็กแต่น้อยไม่ดีบางคนก็ไปคิดว่าอีดีแต่จริงเสียถ้าโตไปเสียเสียของไม่ดีต้องต้องรู้จัก ลองคิดดูว่ากิเลสเนี่ยนะที่จริงเราไปมองว่าคนนู้นคนนี้หลอกไม่ใช่หรอกกิเลสมันหลอกเราถ้าใครวิจัยอันนี้จนเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้กิเลสเราเนี่ยมันหลอกเราเองหลายหลายคนก็บอกว่าคนนั้นหลอกคนนี้หลอกแท้ที่จริงไอ้กิเลสที่มันเกิดขึ้นในกระแสขานของท่านพุทธดมันก็หลอกเรามาอย่างยาวนานแล้ว แล้วสัตว์โลกเนี่ยวิปริตมนนั่นิการเอาวิปริตจริงไหมสุขเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงก็ไปสําคัญว่าสุขเวทนาเที่ยงสุขเวทนาจะเป็นทุกข์ก็สําคัญว่าสุขสุขเวทนาเป็นอนาัตตก็สําคัญว่าเป็นอนัตต์ควรจะเบื่อหน่ายสุขเวทนาก็ดันไม่เบื่อหน่ายดันไปยินดีใช่ไหม ควรจะคลายกำหนัดในเวทนาแต่เราก็ไปกำหนัดไปไปเพื่อเพลินกับมันสิควรที่จะดับเวทนาได้อย่างถาวรเราก็ไปสร้างปัจจัยให้เวทนาเกิดอยู่ล่ําไปควรที่จะสลากคืนไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาแล้วเนี่ยแต่ที่ไหนได้เราก็ไปถือมั่นเวทนาเอาไว้เรากลั ว, วจะเสียกลั ว, วจะหลุดจากเวทนาเราก็เลยต้องยึดเวทนาในสังสารวัฏอีกยาวไกลมากเกาใช่ยัง เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฉลาดเลยอะที่ผ่านมาในสังสารวัฏเนี่ยไม่ฉลาดเลยยอมนลกไม่ฉลาดก็แปลว่าอะไรบ๋งคนก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วเพราะเราไม่มีใช่ไหมเราไม่มีก็รู้อยาโกรธอะไที่น่ะถ้าว่ากรณีอย่างนี้เขาบอกว่าให้พิจารณาอย่างนี้นะให้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาตรงนี้สําคัญและในที่พูดมาเนี่ยเอาสุขเวทนาอย่างเดียวเนี่ยมาไล่โดยนุปัสนาเจ็ด เอาไปนั่งวิจัยวิจัยเดี่ยวนี้แล้ววิจัยบ่อยๆนะเมื่อเวทนาเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้รู้ให้พิจารณาด้ยความเป็นของไม่เที่ยงทุกครั้งนะคิดไว้ก่อนวิจัยไว้ก่อนด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าพิจารณาด้วยความเป็นของเที่ยงเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นในพิจารณาด้วยความเป็นของทุกให้เป็นทุกอย่าไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นสุขเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นต้องพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาอย่าไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอัตาเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้้้นนนเี่่ยยตตองงบืหาาารกม เวาลากสุขเวทนาชอบใจเกิดขึ้นหัวเบื่อจริงๆเนี่ยอยากจะอ้วกเลยเบื่อมึงยิงอะทำได้ั้มแล้วจริงๆมันน่าเบื่อไหมมันน่าเบื่อสุขเวทนาเนี่ยเราเนี่ยตามคําสอนพระเจ้าบอกว่าเราเนี่ยวิ ป, ปริตมานสิการย่อมหวานคําว่าวิ ป, ปริตมานสิการแปลว่าอะไรคําวิ ป, ปริตนี่แปลว่าอะไรเอาคําว่าวิวิ ป, ปริตนี่แปลว่าอะไร เนี่ยแปลงี้ไม่ค่อยสะดุดงตือนเลยเอ้าถ้าเราเห็นคนวิปริตนี่แล้วว่าอะไรคนบ้าคนวิปริตเนี่ยก็เรียกคนบ้านีฉะนั้นเราเนี่ยในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยบ้ามานานแล้วเราเนี่ยก็เอ้าแล้วจริงไหมอ่ ก็ของมันไม่เที่ยงเราไปเห็นว่าเที่ยงนะ่ะไม่วิบหรีตวิบหรีตยังไงเอาของที่มันเป็นโทษแต่เราไปเห็นว่าเป็นสุกเนี่ยของที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเดแต่เราไปสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยอันนี้เขาเรียกวิบหรีตมรณะสิการเลยพระเจ้าใช้สาววิบหรีตมรณะสิการแต่ภาษาไทยเราแปลวา่าบ้าแปลว่าเพียนนเพ้ยนน่ะคนเพี้ยนน่ะ ที่ผ่านมาที่บอกว่าที่ที่มาอธิบายเรื่องคัดฉันโตวาคัดฉามีตีประชานาจิเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าวันนี้เราเดินเนะ่ยถ้าตกระาจานนะถ้านลวงอมาว่ า, าสุ น, นักบ้านสุ น, นักจิ้งจอกเวลามันเดินก็รู้ว่ามันเดินนั่งยืนนอนมันก็รู้ใช่ไหมแต่บอกถ้ารู้อย่างนั้นว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนแค่นั้นมันไม่ต่างอะไรกับ แปลว่าพระธรรมกถาอาจารย์เขาบอกอะไรเขาบอกว่าเราเหมือนอะไรนั่นแหละท่านอุกมาอย่างงั้นแต่มาไม่กล้าพูดไงคํานั้นเน่ยก็เลยอธิบายเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยกันไปรับสาน้ําใจกันมก็ยดิเือคือพระตรรมกถาอาจารย์ท่านพูดอย่างนั้นท่านต้องการจะสกิดเราว่าเราเนี่ย มันสําคัญว่าเราเดินจริงๆทั้งๆที่ทเราไม่มีสําคัญว่าเรานอนเรานั่งเรายืนเราเดินเราคู่เรามีเหยียดเราก้มเราเงยเราสําคัญว่ามีเราหมดทั้งๆที่มันไม่มีท่านก็นเลยบอกว่าไม่ต่างอะไรกับสุนัขบ้านสุนัขจริงจอกท่านว่างนะั้นพระาอาจารย์ท่านพูดอย่างนะั้นในไหนในอัตถกถาในมัชชินมานิกายมุละบันนาเล่มที่สิบเจ็ด นั่นแหละก็ <c oughs> ไปดูนี่เป็นอย่างนั้นจริงจริงใช่ไหมแล้วมีเปรียบเทียบอีกเยอะนั้นท่านท่านก็ใช้คําพูดแบบเนี้ยแล้วก็โอ้ท่านใช้แรงแต่เรามาพูดกันเพื่อรักษาน้ําใจสนจุนนักทีกจอกสุนักบ้านเวลามันเดินแต่พระ อ, องค์ไม่ได้หมายถึงการรู้อย่างนั้นเนี่ยพูดกันธรรมดาอย่างนี้นแต่ท่านไม่พูดกลับเล ถ้ารู้อย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรอาจารย์เดชท่านไม่พูดคํานี้ยังไงใช่ไหมแต่เราก็ต้องมาคิดให้มันถึงว่าเออไม่ต่างอะไรเพราะมันรู้จริงๆนะยามมงคนลโนมันรู้ไหมยืนเดินนั่งนอนสนับบันเลยมันรู้มันนั่งมันถ่ายอุจระไปสะว่มันรู้หมดแหละแต่ถ้ารู้อย่างนั้นเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นภาวนาเลยแ ล, แล้วต่างอะไรกันในนี้ จช่าเข้าใจใช่ไหมตรงเนี้ยโอ้ยถ้าหากว่าเข้าใจตรงนี้เบรเซ็จแล้วแล้วโอ้โหท่านใช้คําพูดนี้ต้องการให้เราถ่ายถอนจริงๆเออต้องการให้เราถ่ายถอนจริงๆบางทีแต่ก่อนเน่ะเวลามาอ่านอ่านมาตกใจเลยหรือเปล่าโอ้โหใช้ว่าเราเลงจังมองเงียบนะนึกโอ้โหทําไมว่าเลงเพื่อเจ้าหรือว่าเลงจริง ขนาดว่าขนาดนี้นะสาววพงษงบางท่านก็ยังไม่คิดนะนะสมัยีสอนตรงอาจารย์ตรงๆยังไม่สใจไปอี้ีบางคนเขาเกงใจกันไงถ้ากับพระนี่คุยก็มาบุยคุยตรงๆเลยเวลาจะมาคุยกับพระกันนี่ไปนั่งคุยเสร็จปุ๊บมาก็ชี้เลยปุ๊บปุว่าพูดเลยเอาว่ามาที่อ่านมาแยกขาพ่ไม่เอายกเอาว่ามาก็ไล่ไปตรงตรงเนี่ย เราเข้าใจไหมเนี่ยผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจอธิบายอย่างงี้ก็เหมือนแอกว่าก็เหมือนกับที่มาเวลาคุยกันกับพระเนี่ยคุยเบรเซ็จบอกว่าบอกว่าอ uh ้าถ้าสมมุติว่าเราเราไปเกี่ยวข้องกับญาติโยมตั้งหลายท่านคิดยังไงเออท่านคิดยังไงท่นก็บอกว่าก็ไม่แกก็อาก็คิด ธรรมดาเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเสียหายเสียของใช่ไหมเวลาท่านจะไปในสํนานักของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายหรือสํนานักของพิกษชมีทั้งหลายท่านต้องมานาสิกานี่ถูกเอามานาสิกาเงี้ยหมือนเราเดินก็เป็นดงงูหเห่าว่าเราจะคิดเราจะม า, าเราจะมานาสิกาอย่างนั้น เ, เราจะเสียหายได้นะถ้าเราพลาดก็ต้องมานาสิกาเนี่ยก็ว่าโอโหขนาดนั้นนี่เอาในคําสอนเป็นงนั้นจ ต้องวางจิตให้ถูกไปแล้วไม่ใช่ไปบาดเจ็บกลับมายช่ถามว่าเมื่อไปอย่างนั้นเราไม่ใช่ไปแบบไปแบบไปกลัวไปเรื่อยดังแต่ไปแบบต้องวางจิตให้เป็นผู้สนจะไปเพลิดเพลินเขาสุขก็ไปสุขกับเขาเขาทุกข์ก็ไปทุกข์กับเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะเรามีเพศต่างจะกระหัสแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราควรทําอาการกิริยานะั้นเนี่ยนะมันก็ต้องรู้ต้องชัดเจนใช่ไหม ถ้าไปวางวางตนไม่ถูกก็เสียของเลยบางทีน่ะเข้ากันเข้านั่งคุยกันเป็นเพื่อนกันโดยเรื่อยุ่งเลยอันนี้ไม่ได้จะเสียหาตรงนี้ก็คือเวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นมาก็มาวิจัยสุขเวทนาโดยเจ็ดอย่างทขกเวทนาเกิดขึ้นมาก็วิจัยเจ็ดอย่างอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นก็วิจัยเจ็ดอย่างก็ยังอ๋อเจ็ดอย่างนี้ไปวิจัยเลยตรงนี้ต้องจํา ต้องจําไปวิจัยวิจัยก่อนแล้วค่อยเดินเข้าสงครามของเวทนาตอนเนี้ยยังวิจัยไม่ได้หรอกเพราะยังงดงามหมนเลยใช่ไหมคือมันนึกไม่ออกอะ่ะจริงไหมโยมบางคนต้องมาวิจัยก่อนต้องรู้จากคําว่าอั น, นิีจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานันตานุปัสสนานิพปิธานุปัสสนาแล้วก็วิราคานิปุปัสสนานิโรธานุปัสสนาแล้วก็ปฏินิสคานุปัสสนา คือต้องต้องเข้าใจอนุปัสนาจิตให้ชัดมันจะได้เกิดขึ้นจากการวิจัยได้ทันแล้วการวิจัยเนี่ยเขาวิจัยก่อนดังที่ได้กล่าวแล้วไม่ใช่ไปวิจัยในขณะนั้นนั้นโอ้เราไปขึ้วิจัยในขณะนั้นนั้นหยิบอาวุธไม่ทันแล้วใช่ไหมก็ลองดูทีเนี่ยเอาเราคิดไว้ก่อนตรึกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเบรกแล้วในการที่ไปกินอาหารต่างคนต่างก็นิ่งเลยใช่ไหมก็ไปวิจัยดู อ่าพอสุขเวทนาเกิดเราวิจัยเลยพิจาราญในความเป็นของไม่เทียมนี้อาหารใช่ไหมก็ไ อ, อ้ที่ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันยังโอชาที่ผ่านลิ้นใช่ไหมกระทบไปมันก็เกิดดีถูกใจก็สุขเวทนาเกิดใช่ไหมพอมันหมดพููไปสุขหมดไปเลยไหมท่านอกโอยพิจารณาเห็นในความเป็นของไม่เทียมพิจารณาในความเป็นของของเป็นทุกข์ด้วยทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้ แล้วก็เป็นอนัตตาเบตเตอร์หนึง ก, ก็วิจัยก่อนอย่างนี้แล้วก็เป็นนั่นมันจะไม่ค่อยลืมตัวหรอกถ้าวิจัยไว้ก่อนแบบเนี้ยใช่ไหมเอายากมไหมแบบนี้ยยากไม่ยากไม่ยา ก, ยากหรอกแล้วก็ไปอ่านที่หน้าที่สามสิบเอ็ดเนี่ยอ่านปะ่ะอ่านให้เข้าใจแล้วก็ไปวิจัยอ่านไปให้เข้าใจแล้วก็ไปวิจัยฟังด้วย ฟังให้เข้าใจอ่านให้เข้าใจหน้าที่สามสเอ็ดเลยนะก็แค่นั้นเองง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดเลยนี่ยุ่งเลย <c oughs> จริงๆอ่านตรงเนี้ยให้เข้าใจใช่ไหมเพราะว่าเออได้ฟังคาอธิบายแลย้วเนี้ยมันก็เหลือแต่การไปวิวจัยจนเข้าใจเปียเสร็จแล้วแต่นี้ก็เหลือแต่การว่าเออลงสนามจริงๆก็วิจัยทานอาตอนนี้ไม่ทันก็วิจัยไปเรื่อยๆใช่ไหม ต้องการมันลืมตัวเลยไปยุ่งเลยตอเนี้แล้วสุขเวทนาเกิดวันหนึ่งเยอะไหม <Okay. S 1> แล้วเป็นสิ่งที่เราแสวงหาตหลอดเวลาในสุขเวนน่ะเอาเวลากาบร้อนนี่ไม่ได้ไปอาบน้ําเลยไหม <Okay. S 1> นั้นแต่ว่าเราไปต้องการอะไร <Okay. S 1> ต้องการสุขเวทนา <Okay. S 1> ใช่ไหมทีนี้สุขเวทนาอิงองามิสุขเวทนาอิงเนกขมาอะไรก็ว่าไปนี่ยนะ <Okay. S 1> เมื่อเพชจเริญเห็นด้วยความเป็นของมเมี่ยงเจริญอะไรได้ เออนี่จะสัญญาความจําหมายว่าเป็นของเที่ยงอ่ะพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์จะละอะไรได้ก็แค่นี้แหละความจําหมายเป็นสุขเมื่อพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาจะละแล้วพิจารณาเมื่อเบื่อหน่ายก็จะละความยินดีลายกําหนัดก็จะละความกําหนัดนะเมื่อดับก็จะละสมุทัยดับเดนิโรธาเนะ่เมื่อสระคืนก็จะละความยึดมั่นถือมั่นได้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาโดยอาการเจ็ดอย่างนี้เวทนาปรากฏไม่ใช่สติเอะตรงนี้งี้ต้องเข้าใจก่อนเวทนาปรากฏเวทนาอยู่ในฐานะเป็นเป็นอะไรดิเอาเรียนสติปัฏฐานมายังไม่รู้อีกอมไม่เข้าใจกะเอาเวทนาอยู่ในฐานะเป็นอะไรอ๋ เวทนาปรากฏในที่เนี้ยเวทนาอยู่ในฐานะเป็นเนี่ยไม่คือเข้าใจคําว่าสติปัฏฐานไหมสติคํานึงปัฏฐานคำหนึ่งหรืออุปัฏฐานน่ะก็เป็นว่าการปรากฏาาตอนเนี้ยเวทนาอยู่ในฐานะเป็นปัฏฐา น, น, ฐานใช่ไห ม, ไมเวทนาอุปัฏฐานังไงไโนสติ ตอนนี้เวสุขเวทนาปรากฏไม่ใ e ช่สติปรากฏใช่ไหมตัวเวทนามปรากฏอยู่ในฐานะเป็นปัจฐานปัจฐานนะปัจฐานของเวทนาอยู่ในฐานะเป็นที่ตั้งเหมือนอะไรเหมือนโรงช้างเป็นที่ตั้งของช้างอ่ะโรงช้างเป็นที่อยู่ของช้างโรงม้าเป็นที่อยู่ของม้าตอนนี้เวทนาเนี่ยเป็น โลงเป็นโลงโรงเนี่ยเป็นที่อยู่ของสติสติก็ไปวิจัยอดูเวทนากือสุเวทนานี่แหละอเข้าใจว่าเนี่ยเวทนาเป็นธรรมนูญปัจจัยของสติใช่ไหมเวทนานั้นเป็นที่ตั้งของสติใช่ไหมเวทนาเป็นเหตุให้สติเกิดใช่ไหมสติไปวิจัยเวทนานั่แหละเวทนานปรากฏไม่ใช่สติปรากฏก่อนมุมเนี้ย แล้วก็สติปรากฏด้วยเนี่ยสติอยู่ในฐานะเป็นปรฐฐานด้วยไหมสติก็อยู่ในปัฐฐานอยู่ในฐานะเป็นปฐฐานด้วยแล้วก็เป็นตัวสติด้วยสรุปแล้วก็คือว่ากํารอบรู้เวทนาด้วยแล้วรอบรู้สติด้วยไหมรอบรู้สติด้วยเห็นไห ม, มการเจริญสติเ น, <ม>นี่ยเนี่ยเราจะได้รู้ไงว่าเวทนาเนี่ยอยู่ในฐานะเป็น เวทนาปรากฏไม่ใช่สติมาจะคําว่าเวทนาอุปทานาังโนสติไม่ใช่สตินะทีนี้สติปรากฏด้วยเป็นตัวสติด้วยอันนี้คําว่าสติอุปทานางังสติก็เป็นอุปทานาได้แล้วก็เป็นตัวสติด้วยคืออย่างนี้สติเนี่ยดับไปแล้ว ก็สามารถเป็นที่ตั้งของสติที่เกิดที่หลังได้ขอย้ำยางสติที่เป็นอดีตก็ได้สติที่เป็นอนาคตก็ได้สติที่กำลังดำเนินเป็นไปอยู่เป็นต้นก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เราจะจับเดียวใน